ในช่วงคุยธรรมะในวันนี้อาตมาพระไพบูลย์อภิปุณโณจากวัดป่าดอนไหศกนะได้เมื่อวานว่า นี่ทราบพูดถึงกันอย่างนี้ว่าเอ่อพระพุทธเจ้าเคย 100 ปีหายใจครั้งเดียวนะสามารถที่จะโผล่ไว้นะไม่ ที่ตาลนี้จะเอาหัวโผล่ขึ้นมาในในพบต่ํา เนี่ยนรกเหมือนเดิมแต่ 3 เท่านั่น 3 โลกเอ่อ 3 ใบน้ําท่วมเต็มเหมือนกันหมดด้วยมี 3 ตัว 3 โลกเนี่ย โอ้โหมันยิ่งยากยากยากแสนยากจริงแต่ว่าๆสายอยู่อย่างถ้าเราพูดถึงจังหวัดสระบุรีอย่างเงี้ยใครเคยผ่านไปเนี่ยเป็น นะชุมทางที่เอ่อเค้าจะเลี้ยวไปทางภาคอีสานก็ได้หรือ นะคือป้ายต้องติดให้เห็นชัดเจนนะจะต้องมีทางเบี่ยงทางเลี่ยงทางคู่ๆที่เป็นมาตรฐานของเอ่อความ ถนนนี้มันไม่มีไฟแดงเลยนะมันเลี้ยววนไปสร้างไปมาเพื่อไม่ให้การจราจรติดขัดให้มันไปได้อย่างสบายนี่เป็นลักษณะของชุมทางไฟแดงไม่มี แล้วคุณไปในรกกรรมในดรัศสารประวิสัยและที่ผิดๆอะไรมี เราอ่านป้ายให้ชัดเจนเราดูป้ายให้ชัดเจนเนี่ยเราเราจะไปได้เรา ความไม่พอใจไม่สบายใจเนี่ยเราจะ ก็ไม่เก็บไว้ในในเรือนจําในเรือนจําไม่มีหลุมฝังศพท่าน นะเพื่อให้รีบออกมาได้เร็วๆยังมีความ คุณจะเห็นอะไรก็เป็นภาษาทางตาคุณจะได้ยินอะไรก็เป็นภาษาทางหูจะอยู่ในกุ๊กหรือนอกกุ๊กมันอยู่ตรงนี้หมด ยินดีที่จะอยู่ในคุกพพบเนี่ยนะคือ นักนี่ก็เอาเชือกผูกหมาไว้ผูกกับผูกที่คอสุนัข นะแล้วก็ตะแกรงนี่แกะยากแน่นอนนะที่ไม่ออกมันพยายามจะหาต้นตอ ก็ตามอยู่อยู่อย่างไหนแล้วมันจะดึงไปมันมันก็ไปเที่ยวไปทั้งนั้นทั้งนี้ตามที่ไอ้สายมันจะยืดไปถึงเท่านั้นเองแล้วมันก็จะมัน เพื่อนเรามาอยู่ในทางเลือกนี่ตรงเนี้ยเหมือนเป็นชุมดางคุณ ต่อให้โลกหน้ามันไม่มีสมมุติไม่มีโลกหน้าเนี่ยมันมันไม่มีเดี๋ยวสมมุติไม่มีแต่ถ้า อ่าไม่พูดปดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่พูดปดเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาอ่ามากล่าวหาเราว่าเราพูดได้ต่อให้มีมันก็ไม่ถูกต้องตาม ป่าโรคชัดในอยู่ตัวท้ายป่าโรคชัดนี่มันเอ่อต้องรีบเดินผ่านมาอยู่ด้านแร่งนั้นอย่าไปทางซ้าย เห็นใจที่เป็นสงบได้ใจที่เป็นสงบได้นะเพราะฉะนั้นเรารีบรีบผ่านมาอย่าไปอยู่ 5 และความลุ่มหลงใน เราจะเสโนได้มั้ยเราจะปฏิเสธความที่ไม่ดีเราเราเดินเข้าไปตรงปากเหวเดินเดินลงไปเนี่ยมันจะอาจจะมีมาอย่า no, 2 แป้งนะ เช่นปัวทําไม่ดีมีชู้มีอะไรเมียก็คิดว่าเอ้ยมันมีชู้ฉันก็มีกิ๊กได้คิด มันจะดีขึ้นหรือไม่ดี